จากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจ่าเวสันดรจาดกชา บ, บพิเศษชุดสร้อยรวมทรรมกันตีดึงตัดสปนตรวจชำระคัดกราสมนนใหม่โดยปวีนสมัยชุมภูปรเรียนธรรมประโยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต วัสมัสัมปุทสะโหจติวารวันนาเภติอิตังสัทธากาปิลาวทุสัมิงโอปานิสานิโคลธารเม วิหารตัโปคารวัจจังอารพากเทสีสาทาโวดุราสปุริสาตั้งลายตั้งหนิงใจมวนหมูอันนั่งอยู่นานำ จุงจักจำเก้าเหตุยัางจ่าดกวิเศษเรื่องไรคือเวสันตระใสบ่เศร้าอันพระพุทธเจ้าหยอดมูนีใครว่าตีเตดไวตั้งแต่ไทยเดิมมาดังนี้และนา สัทธาอันว่าสัมปัญญูตนเป็นคู่แก่โลกคือปนโสภบ้านพงสำรัญอยู่แล้วในเมืองแก้วจือกปิลวัุนกรเป็นที่โกจรปินธิบาทในอาวาจือนิโครทารามปนกวนอามตกตอดพับไข่จอดราชาธีจื้อบครปัตมีบอกไว้ ขติวัยยอตสะปนผารบพนเป็นเหตุจริงเตเตะสานยังมหาเวสันตราชาตะกะจินจอยด้วยบาท้อยกาถาว่าพุทธสติวรณวันนาเฟดังนี้เป็นต้นและนา อันว่าโอปตินิทานคือว่าการอันพระพุท ธ, ธเจ้าจักไขรเล่าเทศนายังมหาเวสสันตระอันนี่ใสเปลืงหูไข่ตามมีดังนี้แด่เตอ พุทโทอันว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นปินเก่าตีโลกาทัศพระญาแจ้งจอดนับเป็นยอดจำปันอยู่มีมูตหลายหลาไขยกภาคสตา <c oughs> มีนำนาสาสู่เฮือป่นหมู่หมวนบานพาทารงยานผ่านแผวเกาะกาดแก้วลีลาไปเทะศาสนาสอนเหล่ายังเจ้าเจ้าปัญจาวกี นอกกว่าราณสีเมืองกวางมีจีอ้างว่ามีกาตาญาวันฮือได้หันรูรอดจบแจงจอดอาราหันตากันออกวะสาเมียนแล้วพระตนแก้วซับปัญโยก่อสเด่นไปจุภาษาตแห่งเต้าที่ราดปิมพิสารเจ้าผู้บานนังจ้างผาเมืองกวางรัชกหฮนากอ สอนพระผู้ทอนเป็นเจ้าตามกำเก่าปฏิญญาคือเจ้าปา ร, รารูรอดได้ถึงยอดโซดาบันเจ้าหอดจันทนองค์อาจจิงสร้างอาวาดเป็นตามีนามขานว่าไว้ว่าส่วนไม่ไฟเวลวันคือพระจอมทันสถิตอยู่กับตั้งหมูพิกขุทรงก็มีฮันแลนะ กันราดูหนาวเสียงขาดเจ้าพิคุตตนฉลาดจือกาลูตาญีก่ออันจุลีเก่าถอยขอราธนาพระยอดสอยบุญเรืองสเสด็จเมื่อเมืองป่อเจ้าคือเมืองเก่ากาพิลาวัตถุนครพระจินดาวนตีไว้ก่อหูไขสัญญาว่ากาละนีนาควรแลว้ว เพื่อกกาดแก้วเหมือเพืองแห่งบุญเรื่องป่อตเต้าเพื่อบอกเกา่าสอนธรรมพระองค์คำปินเกา่าพ่อโม่เจา้าอาระหันตาสังขายาสองหมืน่นดูระรื่นเลืลายก็พันภายลาภากออกไปจากราจคา ห, หนก้อนก้อยเตี่ยวจอนตตเต้ตาไปเมืองป่อเจา้ากับปิลาวัตุปุรี อันเป็นหัวตีแรกเก้าตั้งแต่เจ้านี่ไปก็มีหันและนาตีนั้นพญาตั้งหลาย ห, หนุ่มเทากอเปึกสาเล่าจา ก, กันว่าจักได้หันพอก้อยยังเจ้ายอดซอยสิทธาจยงขานผู้เป็นลานพระเสด็จเป็นพระเลิศโลกา แล้วก็พิจารณาไปรอดว่าจะคือพระเป็นเจ้าจอดแด่นใดพิจารณาไปแจ้งที่ไขจุติสาทานก็หันส่วนวิญญาณสะอาดแห่งเจ้านิครดสักกญราตใสเมือง ว่าควรปลาบุญเรืองปิ่นเกากับตังเจ้าสินใสจังเข้าไปสถิตอยู่สำรานกูขืนวันเขาก่อป้ากันตกแต่งไขจู่แห่งนิโคลธารามพอดูงามใจจ้าดังส่วนเจ้าฟ้าจื่อนั้นตะวันแล้วพร้อมกันเสียงไข่ถือดอกไม้มาลาเพื่อจักดารับตอนอยังเจ้าหยอดม้อนทรงยาน <c oughs> แล้วเือโลูกลานเด็กอ่อนงามจะจอนยิงใจมีมากหลายบอ่อนยตกแต่งซอยกาญาดูงามตาบ่ผ่อนไปรับตอนก่อนหัวตีส่วนผ้ายามีแกท่าจ่ากเกื้อเก่ามงสาป้อยถือมาลาดอกไม้ไปรับพระตีไวไปดุนแล้วขับทุนเก่าถอยขอพระยอดซอยยอดมุนี กัมาราหันตามีมวนหมู่เข้าไปสู่นิโครธารามอันตกแต่งงามทวนทีพอจุติเรื่องไรผ้าจอมท่าไรปิ่นเกากับต่างเจ้าอาราหันตากนาดาสองหมื่นดูระรื่นดวงลายญยาดท่าลาพายเข้าสู่ในตีอยู่นิโครธารามอันเรื่องงามพิลาดแล้วนั่งเดือดอัสนา ขันเขาดาแต่งไหวพร้อมเสียงไข่จู่องก็มีหันและดา <c oughs> เมื่อนั่นเจ้าสาเกียรติราชตั้งหลายอันเป็นสายเชื้อเผาแห่งพระเป็นเจา้าหยอดมูนีติสที่มีขนาดว่าเจ้าสิทธาตกุ ม, มารท่านเป็นลานลูกเต่าพงย่ำเข้ามัดชิมวไว จุมบงใหญ่ปู่ป่ายังแก่กว่าหลวงลายบอกกวนทวายน้อมไว้ยังเจ้านอไถศิทธาบุญนาควรนเอเด็กขานมเน้านกกลมเก่าอันจุลีแล้วใครว่าตีบอกกล่าวเฮเด็กเทาหญิงใจมีมากหลายพร้อมไข้เฮน้อมไว้น้อมไว้วันตาก็มีหันและนา เมื่อฟ้าญาตั้งหลายน้อยใหญ่บ่อน้อมวบวันตาพระพุทธาตนสักวาดรู้แจ้งฝวาดในใจว่าสายวงใหญ่ลมเท่ามานเก่ายังมีสมกวรดีนำพาคือเสียงจากสันดานคือวงวานน้อยใหญ่ใดน้อมวบตนกู้ซับปัญญูเลิศแลวก็เข้าสู่ฌานแกวจะทุถัชาน มีอาพิญญาณเป็นบาทสะยองขึ้นอากาศตันตาดังจักเรียรายลงมายังฝุ่นสายมุกมุนธุลีลงเรือเกศีเกตเกาแห่งเต้าเจ้าตั้งลาย เปงรัสมีพายแจ้งส่องไปไข่ห้องสถานกระตำปาติหารมาเก้าดังกระตำตีเก้าไหมอ่อำปาคือชื่อว่ากันทามพระรุกขวันนั่นแหละนะเมื่อนั้นพญาสลีสุดท้ตนป่อหันแจ้งต่อสายตากนยกมือสาขับไมว่าคาแดเจ้าแก่นไทยซับปัญญู ยามันเจ้ากูเกิดใหม่นางก่อมใจกันยาน้ำบุตตาหนอนเอาไปไว้เจ้าราศีตนมีวัดดีวิเศษจบแจงเป็จือกาลเทวะตาปสาวพ่อหันกับตาทีแจง ว่าพระบาทแห่งองค์คำขึ้นวางตั้มเหนือเก้าแห่งตันเจ้าระสีปีติมีแต่ใส่ป่อจริงน้อมใบวันตายัางบุตตาลูกเตานับเป็นเก้าหัวตียามเจ้าบุญมีอ่อนน้อยป่อ น, นาเจ้ายอดซอยบุตตาไปแรกนาปูกเขาอันเป็นเก้าบับป้ามงกลป่อเอาตนดอไทยไปนอนไว้เหนืออาส น, นา ปืนโรคขาต้นใหญ่คือว่าไม่จุมปูตาวันดูบบแจ้เงาบ่อแย่ให้หอนอยังบางตนแห่งเจ้าเป็นดังเก่าเดิมอ่อนพอหันสังหอนลายลากว่าบุญลูกมากเดือลาย พ่อกาะท้าวายน้อมไว้ยังเจ้าลูกไทยบุญมีนับเป็นสองตีแต่เราตั้งแต่เขาเดิมมาบัดนี้นาลูกเต่าได้เป็นพระเจ้าโพดโลกาเ <c oughs> สเดจมาโวดแผยยังเท่าแก่ตานายอัศจรรย์ลายเกิดต้องหันแจงสองกองตาพ่อก็อสาขับมายัางพระบัทไทยมุนี กาณจุลีปังนี้นับทวนทีเป็นสามและนาในเมื่อผัญญสตลีสุ ท, ทธนตนะตนป่อน้อมไว้ต่อพระพุท ธ, ธาจุมภญาาน้อยใหญ่ลวดน้อมไว้จุต้นตนพระตัตสาปนตอนองอาจก่อหลงจากอากาศเวหานั่งเหนืออาจสนาเด็ดแล้วไขรข้าบแก้วแดงงาม สัมแดงตามแบบเบาเื้อเชื่อเผาวงสาถึงรัตนนาสามสิ่งอันมีกุญ่งเดือหลายคนยิ่งใจนมเทาตั้งเชื่อเจ้าราชะวงสามีศรัทธาลิ่งลูฟ้อมน่าอยู่นานนำเพื่อจักฟังธรรมพระเจ้าอันจักสำแดงเหล่าเตสนาก็มีหันแล่นา ตาโตมหาเมฆโคในกาละนันไซฝนโบคาราพัดหาใหญ่ก็ตกลงมาฝนนันนาดูหลากวันนะหากดูแดงเป็นดังแฝงน้ำขังตกไหลลังเลือลาย คนหนิงใจเท่าหนุ่มไผ่ไข่จุ่มไขห้ำฝนตกน้ำก่อตองไขจูห้องกาญยาคนได้นะาบ่อสู่ฝนดังรู้จิตใจก่อลิไกเว้นจองบ่อถูกต้องอินทีฝนอาซาจันมีดังนี้ตั้นจริงเกาวที่ว่าฝนโบ้ารพัฒน์นั้นและนา เจพิคุอันว่าเจ้าพิคูตั้งลายม้วนมากจูผู้หากัตสะจันก่อป้ากันกะถอยมีบ่น้อยนานาว่าอาวุโสดุระตันตั้งหลายเหยืม้วนมู่เร้าจูผู้เล่งหันกวนาสะจันหลายลาฝนโบคารพัดหากตกลงมาย่ำบงสาน้อยใหญ่แห่งพระตีไวทรับปัญญู่ใดมาจูผ่อมนา ฝนจากฝ้าไปบนก่อบันดนทั่ทังตกไหลหลังลงมาายทาราละลาดความร้อนขาดหายดีร้อยพระมูนีตีไว้สมปันใหญ่ทรงยานหากบรรดาส่วยแสงเหือหันแจงตอตาจักแลน ปุถุทอันว่าพระพุทธทเจ้าตนเป็นปินเก่าตีโลกาฟังกำจากตันเล่าแห่งตันเจ้าพิกู้ตั้งหลายพระบุญภัยหยัดซอยจริงเก่าถ้อยจะถามด้วยกัมงามบ่อส้า ว, ว่าสู่ตันเล่าสังจาที่นันนาเจ้าพิกู้ตนฉลาดก่ออภิวาททุนสา ใครกี่ญาเหล่าเก้าคือพระเป็นเจ้าตามมีพระมูนิตนผ่านแผวได้ยินแล้วก็เจียนจาว่าดูราพิคูตั้งหลายมวลมากอันว่าผลโบครปัดตกหลากลงมา ยำญาที่กามวนหมู่มาความอยู่สุ่มกันควันอัดสจันร์ดังอีบ่ใจจัดนี่บัดเิียวเหมือเราเตียวหลกวางพงก่อสร้างสมปานเป็นพระผู้บานเบ็ดสันตระราดฝนก็หยาดลงมา ยามญาติกามวลหมู่มาพร้อมอยู่ซุมกันและนาพระพุทธก่าวเต่านั้นแล้วก็หับขะอุบแก้วบ่อเจนจาตีนันนาเจ้าพิคุตนฉลาดก่ออภิวาสนามัตรสการ <c oughs> วัาติตาดีตานปางก่อนผู้ข่าบ่อหอนเล่งหันขอเตสนาปันบาาอกเก่าเฮรู้ข่าวตามมีแด่เตอ เมื่อนันสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าแก่อาจารย์จะไขนิทานเบสันตราราตอันเป็นจาาเดิมอ่อนพระจินดาวนหยอดซอยจิงก่าวถอยเตสนาวะติเตฟิงคาเวดูราฟิงคู่ทรงตนทรงสินใสสะอาดเชื้อนักภาทรงยาน แต่เมื่อนานดลวงแล้วมีเต้าตอนแก้วจื่อศรีวิราชาเป็นพระยานังจ้างในเมืองกวางจื่อเจตุตรานกรมีสายผู้ทอนลูกน้อยจื่อเจ้าหยอดซอยสันใจญาขุ่มฮานกันหนอผู้บ้านขึ้นใหญ่กวรผูกไว้แต่เมืองเต้าบุญเรืองตนปอก็ไปนำเอานอธิดา แห่งพ ญ, ญามัณฑราดงามองอาจเจือพุทธสีมาเป็นเตวีรวมคางแห่งนอเจ้าจ้างสันใจหญ่ากุ ม, มารก็มีหันแลนา ทีนี่จะ ก, ก่าวบุญสมปานแห่งนางพุทธดีก่อนและน้าแต่เมื่อมาลายลาเก่าซิบกับหากเป็นทาราเมื่อพระพุท ธ, ธานยอดซอยนามจินจ้อยวิปัสสีเป็นประมูนิสอนโลกคือพ้นโสภัยมาน พงสำราญยังจอดในอารามยอดเรื่องไรนอกเพียงใจกว้างใหญ่แห่งเต่าไท้ปันธุมติราชผาูมิศรัทธามากว้างหุ่มก่อสร้างตังบุญก็มีหันแลยนาอันว่าพระญาปันธุมติราชมีลูกน้อยอาจเตียมคิงมีสองหญิงปีน้องวันหน้าองเพลิงเผาพงเป็นสาวขึ้นใหญ่มีใจไฟตังบุญ เมือตาหนุนบ่กขาดดังเต้าราชพิตายังมีพญาตนหนึ่งใส่อยู่ติไกเมืองพันธุมติกนกรยินอาวอนกึดรอดยังเต้ายอดปันธุมติราจา กอฮือด้าแต่งไว้ยังดอกไม้คำแดงเป็นของแปลงก้านใหญ่นับอ่านได้สนคำตั้งแก่นจันแดงนำลายหลากมีกามากเกือลายน้ำมาถวายน้อมไว้แก่ต้าไทยปันทูมาตีราชาก็มีหันละนะ ส่วนผาญยศใหญ่หักลูกนอไทยรอมแป้งก่อเฮจันแก่นจันแดงบ่อเศร้ า, าแกลูกยิงเก้าบุญนำแล้วเอดอกไม่คำบะวองแกลูกผู้น้องบุญมี สองนารีพี่น้องซ้ำคืดปองในใจว่าดอกขำาใส่ว่าแหวนกับตังแก่นจันแดงเป็นของแป้งลายแหล่บอกควนแก่เราราควรจักปู่จ้าน้อมเกา <c oughs> ถ้าไายแก่พระเจ้ายอดทรงยานสองน้องคันยอดซอยก่อเกาทอยไขจาฮื้อพิตาป่อเต้าได้รู้ข่าวตามมี เจ้าปุรีผู้ปอกต้านต่อกำไปว่าตามแต่ใจลูกเตาจะเกิดเหล่าหันดีสาวสลีผู้ปีวีใจกีจมบานก็ฮือนักการผู้แก่นบทยังแก่นจันแดงอันเป็นของแป้งบ่ฟอนฮือละเอียดอ่อนสุคุมานส่วนสลีนองคานน้องลาก็ฮือศาลาสร้างแป้งยังดอกคำแดงบ่หน้อย เพื่อเป็นขายซอยเรื่องธรรมกันเมี่ยนตามใจไฟสองนอดไท้ราจาทิดาก็ไก่กาหัวริญาตไปสู่อาวาตวิหารแห่งคาถาสะพนลายนเป็นเจ้า นางปี่เก้าสมสีก่อเอาจุนจันดีก้าใหญ่ทวายแก่พระตีวัยบุญพายอันเดือดลายกว่านั่นนางหนอดจันราจาที่ดาก่อเอาตาลูปล่ตามตีไก่กันทักูดี แลีอยอนจุลีใส่เก่าไว้พระพุท ธ, ธเจ้าทารงยานว่าด้วยเตจตาตา น, นี่ใส่ขออย่าได้ไกลกาขาเกิดมาไายนาบุญอยากว่านี่หายขอมีลายเหลือแลได้เป็นแม่สัปัญญุตนเป็นคู่ปิ่นเก่าดังพระพุท ธ, ธเจ้าบัดนี้แด่เตอ ส่วนราชธิดาน้องแก้วใจข่องแผ้วนานำก็เอาดอกไม่คำบ่อน้อยตั้งขายซอยสังวานยกยอตาลพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเก้าพาธนา ว่าข้าจักเกิดมาปลายนาขอบุญกาต่อตำขอเครื่องคั้วําหลายหลากอย่ารูปัากาญาแดตะว่าอันเหมือนนั่นสัทธาอันว่าสัมปันญูพระพุทธเจ้าก่อตันเหล่าอนุโมตนาว่าสองราชาธิดาบุญใหญ่พาธนาไว้สันได้จุงสมใจกูเชื่อตามไฟเอื้อมโนไนแดเตด น้องตั้งสองปีน้องกันตายจากหองเหมืองคนก่อเอาตนไปเกิดในจั้นฝ่าเลือดเมืองสวรรค์สัดีสุพันปีเก้ากันบุนเก่าสุดปลายก็พันภัยมาเกิดในกำเนิดเมืองคน สร้างกุศลติดต่อนาะบุญกอ่อธมนากันมารนาก้อยกาดก่อไปเกิดภาสาตร์เหมืองสวรรค์พัดเปลี่ยนกันเจ้าใจนับอ่านได้เหมือนนานเก้าสิบกับเป็นพระมัรบ่น่อยถึงจัดสอยสุดมากือ น, นั่งสริมหามัญญาในกาลบดีแล ะ, ละนา พันดังที่ดังนางที่ดาผู้น้องกันตายจากห้องคงาววันก็พ่ายพันมาเกิดเป็นเป็นลูกเต้าผู้พระเสด็จื่อกิกิราจามีสั่งวันมาห้อยปาดเกิดพร้อมบาดเตียมทิงงามกว่าหญิงโลกใจจื่อนางหนอดไทยอุรัตชาตากันมีไว้หนาขึ้นใหญ่อายูใดสิบหกปีนาบุญมีมารอด ได้ฟังทำยอดสัพพญโยตนเป็นคู่นางเก่าคือพระเจ้ากัสริยอดมูนีสัทธรมีออกบวชบวชแล้วลวดนิพานก็มีหั่นแลนาอันว่าพญากีกิราชเจ้าพระศาสตร์บุญนามีรจ่าธิดาบ่อ น, น้อยนอกจากนางยอดซอยอุรัตชาตามีนามเป็นแก่นเจ็ดนางแม่นดีดี นางสาวมณีเป็นเก้านางน่อเท่าสามากุตานางโสค้าอ่อนอ่อนงามจื่อจ้อยจื้อพิกคู่นีนางสัตว์ท่ามีบ่อขาดจื้อนางน้อยนาดพิกคูปาสิกานางธรรมะที่ต่อนางน้อยหนอสุธ ร, รมราชที่ดาสุดซอยจื้อนางหยอดส้อยสังฆทาศีแลนา ส่วนนางสู้ธรรมานั่นใส่กาตำบุญไว้ดวงหลายกันว่าตายกาผากนับขันจากเหมือนคนก่อเอาตอนไปเกิดในจั้นฝ้าเลอตาวะติ่งสามีนามาิืซ อ, อย ว่านางนาฏน้อยพุทธีได้เป็นนางอากามะเฮสินยศใหญ่แห่งเต่าไทยอินตาหึงเมินมาใจจ้าดิมิต h าพากาลกอบบันดาลบังเกิดแกนางแก้วเลิศพุทธี นี่บิดมีดังนี้ย่อมบอกที่สังหอนว่าสริบังอ่อนบุญมากจากได้ภาคเมืองบนลงเมืองขนลุม่มไตแต่ประทไทยอินตารู้ขี่ยาแจงแล้วก็ปานางแก้วพุทธสดีอากามาเฮสีนยศใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้นันตะวันแล้วหื้อสีสุพันน้อยอ่อนได้ยังยอนนอนดี บนสาลีวิลาศอันสะอาดเฉียงคานเท่าบังกะวานยศใหญ่ก่อนั่งอยู่ใกล้กะยาอยันจักจากบอกกาวฮือรู้ข่าวตามีจักปันนปอนดีบ่อเศร้ า, าแก่นั่งน่อเ น, า, นาสิบภาการจริงไขค า, านโอกาสเป็นบทบาทกาถาวพุทธสติวราวาณนาเพวาวรัสุตาสะทา ว่เรปาธรรมพิยาจะรูปป oh ังกียังตุหังมานะโสปิยังดังนี้พุทธสติดูราพุทธสดีภูผาเสดองกเลิดเพื่อใจอันว่าป้อนอันใดสิบสิ่งอันเพืงใจนิ่งนำนาในโลกาลุมฟ้านางอยาจ้าเดี่ยวฟันจุงไข่ปันเลือกไว้พี่จักเอใดตามกำและนา นางพุทธศียศใหญ่ฟังเต้าไทยอินตายินสังกาบ่น้อยจริงกาถอยกำไปว่ากำอันใดข้าน้องยะผิดจ้องกองทมอันจักเป็นกำจักละคือข้าภาคเมืองบนลงเมือง้นลุ่มไตดังลมใหญ่นำนาพัดลุกขาลมเต้าพับไข่ดาวดงนา คุนินตาบนกวางก็ก่าวอ้างตามีวาดุราพุทธสดีเฮยน้องเนาอันวาคำแบบเศร้ า, าอาธรรมมีนานำน้อยใหญ่ปี่บอดได้หันมีปี่ยังฮักสายสารีบ่าผ่อนเป็นดังก่อนเดิมมาตา่าวบัตนีนาบนน้องเสียงจากหองเมืองสวรรค์น้องจักได้ผันไปเกิดในกำเนิดเมืองคน อย่าเรร้นหลายหลากเราเตียงผากเสียกันขอจอมควันน้อยนาจุงคกิดขวาดในใจพ้นนั่นใดล่ำยิงมีสิบสิ่งสิบผากการอันสรีนองคานใครใดจุงบอกไว้มาปั่น <c oughs> พี่จักปั่นหือน้องยามไปเกิดทองเหมืองคนบ่ยาจยนะแลนั่ ดังฝุ่นสตียดเหย้าฟังคำเต้าอินตาคำสังกาเสียงขาดว่าตนจักผากถอยหอนจากเมืองบนฝากฝ้าลงโซนาปทวีจักขอปอนดีสิบสิ่งอันล่ำยิงเปลงใจก็จริงใครเ่าวถอยเป็นบาทซอยกฐาวาวารัญเจเมอโตสักโกดังนี้เป็นตนว่าคาแดมหาราชเจ้า ตนเป็นปินเก่าเมืองสวาลกันข้าพันก้อยกาจากภาษสัดเมืองบนคอเอ้าตนไปเกิดในข้าคุณอันพาเสิดเป็นลูกเต้าตนลำเเลิศจื้อมัตราชากันมีวัยยาขึ้นใหญ่อายูได้สิบหกปีคอได้เป็นเตวีรวมคางแห่งเจ้าจ้างศรีวีราชา นิลาเนตาของหื้อขามีตาเขียวงามจู่เมื่อดังตาเนื้อกวางทรายนิลาภพะโมของหื้อขามีกิ่วโกงก้อมเรียวงามอันว่าน้ำแห่งขาขอมีจิวว่าคุณสดี <c oughs> ขอเหื้อข้ามีลูกเตาใจบ่อเศร้าปานามีศรัทธาลายหลากผู้บริจาคแต่ตานจุม่มคนผ่านน้อยใหญ่เข้ามาใกล้เปิงปาระมียามกับพามีแก่ข้าขอต้องยาใหญ่กว่าเหลือพระมานนมยาญานย่อนหอยยามลูกน้อยกินนมจุงอุดมอย่างเกา่าทาราบต่อเต้ตจาจรา อันว่าเส้นเกษาอย่างอกผากดออกบนหัวขอเฮือตัวข้าน้อยงามจื่นจ้อยมีสีพงธุลีน้อยใหญ่ยาแปดไก่กาญาคนนาดามีตดของฮือขาได้โพดว่างปั่นปล่อยเข้ามันหลลาคือพ้นจากตันดักรรมเดตวัน เอื่อนั่นขุนอินตานยดใหญ่ฟังแก้วแก่นไทยพุทธสดีจิงไรวาตีตอบทอยว่าดรานางนาดน้อยใสใจอันว่าป้อนอันใดนั่นใส่อันนางไฟพาธานาพี่จักดายกยืนตามใจจืนพารม เพื่อได้สมไฟ อ, าอ่างเมื่อนางผ่าคางหลงไปเกิดเพียงใจเตต้องแดนเขตทองศรีวิราชปุริบรุญาจรลญนาตามัดทังประกาศเส้นตัวัทธาศัทธาซัำปัญญหยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสนาวาอิตังวัดปานามะว่าดังนี้เป็นตนพิงข้าเวดูราพิงคุ่ทรงตนทรงสินใสสะอาส่วนเต้าธิราชอินตาจืมมะว่าแต่ไทยเหตุสางอาวัดไว้เป็นตานมีใจบ้านจืนจ้อยอันจัก ใดคือป้อนยอดสอยพุทธาดีก็มีวันนั้นและนาตสาสวารากะทานิษที่ตาขี้าอันเตสนายังกันตะสะป้อนกันเก่าอันมีสิบเก่ากะถาก่อบังกลมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล